Book 2ูสี่สิบหกเฮฮิชาริสเฮ d i s c o t h ในดิสโกเทกดิสโกเทกมัธย์ดิสโก n ทกมัธย์ที่นั่ง a ี้ว่างไหมคะฮีซีท «He ซีทโคหนีเกตเกียร์เหรอคดีฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะมีอัปลย์บรรโภค์บั क ูชกตโตคะมีอัปลย์บรรโภค์บัสูชตโเชิญค่ะอาวุชชะอาวคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะสังเกตค่ะเซวั สังीก क स े व ाซ ल ेเสียงดังไปนิดค่ะ आ व ाย जरा जास्त आहे आवाज जरा जास्त आहे แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ पण ब ย ड ดे कलाकार फ ा र छान वाजवत आहेत पण ब ะ ड สे कलाकार फार छान वाजवत आहेत คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ आपण इथे नेहमी येता का? ีเอต่า न ่ะอพนิทाห็นเนื้มีเอต่ไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกค่ะ नाही हे प ह ि ल ลีนดัตส आ อา नाही. ้าฮีีฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ मी इथे या अगोदर क ดัรคดีฮีอโลน้ทเยะอโกดดีนา คุณอยากเต้นราไหมคะปั่นนัชนากाรปั่นนัชนากอีกเดียวอาจจะไปค่ะ क ดा च िิตนันต์ร์คดัจจิันดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะมลตเอยุธชะงลีนัाตัยยตนะหิงมลตเेยุธชะงลีนัชตัยยตนะหิ ง่ายมากเลยค่ะคูปโซปเหคูปปาเหดิฉันจะแสดงให้คุณดูมีอาพลัลล์ดาข้าตัวมีอลลดเข้าตไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าค่ะนกูปุณหะกฐิธารีนกูปุหกฐิตริ คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะปั่นคนน च ी व ाีวาร์ดบักรถอาหาตป่ค่งาตหกใช่ค่ะรอแฟนอยู่โหมา झ จอมิตราชมา झ จอิตราชเขามาแล้วค่ะโตอลาตลา